บทที่ 22. ฝันร้ายแต่ละคนมีศิลปะ ก, การตื่นที่แตกต่างกันแม้ต้องตื่นนอนกันหลายร้อยครั้งหรือบางคนอาจเป็นพันหนอนต่อปีก็แทบไม่มีใครรู้สึกว่าการตื่นเป็นเรื่องสำคัญอันใดแค่เพียงคิดง่ายๆว่าการตื่นนอนก็คือการลืมตาขึ้นทำกิจวัตรที่ควรทำในวันใหม่เท่านั้นทั้งที่จริงแล้วการตื่นอย่างมีคุณภาพอันมีบทบาทกำหนดให้เกิดความกระตือรือรน้นหรือความหดหูซ่ซึมเศร้าไปได้ทั้งวันทีเดียว ลานดาวเคยชินที่จะตื่นมัวมัวแบบคนเมาไม่เว้นแม้ครั้งนี้ที่หลอนพบตนเองออกจากฝันเหมือนนกปีกหักที่ถลาะจากอากาศเวิงวังร่วงหล่นลงกระแทกพื้นดินจนสลบสลายไปชั่วขณะก่อนจะตื่นขึ้นอย่างสลืมสลือไม่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งฝันอะไรมาจำได้แค่ภาวะเด่นชัดกลัวเพื่อนคืออาการกระตุกวูบเหมือนนางสติ๊กดิดตัวกลับเข้าแรงปุบปับฉับพลันดึงกายขึ้นนั่งตั้งสติแหวกม่านแห่งความงุนงงอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อทบทวนประสบการณ์ฝันแปลกที่คาอยู่ในใจเพราะว่านึกไม่ออกเอาเลยเหลียวมองกระบอกโทรศัพท์ด้านซ้ายมือข้างตัวก่อนความทรงจําจะผุดขึ้นทีละน้อยนับตั้งแต่คุยโทรศัพท์กับอมริตกระทั่งนัดหมายว่าจะเข้าไปฝันร่วมกับเขาทว่าความจําก็สะดุดค้างคาอยู่แค่นั้นเหมือนวัตถุที่ตั้งใกล้แค่เอื้อมแต่พยายามยื่นมือออกไปคว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงทราบเพียงว่าเมื่อคลู่ช่างเป็นประสบการณ์ที่จำชัดละเอียดประณีตสนุกสุขใจเหลือประมาณ มือหยิบโทรศัพท์ไร้สายข้างกายขึ้นมาแนบหูเมื่อพบว่าสัญญาณยังไม่ขาดอีกทั้งแบตเตอรี่ยังอยู่เหลือเฟือก็ทดลองกรอกเสียงลงไปอย่างงวงเงียและวิ่งเวียนเล็กๆฮัลโหลสวัสดีสาวน้อยเป็นไงมั่งเข้าทักเหมือนรออยู่นานแล้วค่ะเออเสียงหลอนขาดห้วงไปทำให้อมริตต้องหัวเราะเอาใจช่วยงงมากหรอลานดาพยายามรวบรวมสติเหลือตามองนาฬิกาบนผนังหลับไปหลายชั่วโมงเลยดีไหมล่ะ เออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะเราได้เจอกันในฝันหรือเปล่าอ้าวจะไม่ได้เลยหรือจะพยายามทบทวนแต่ดูเหมือนตอนเป็นความจำเสื่อมนะคะคุณแต่นึกไม่ออกโดยเฉพาะช่วงที่อืมจะว่าไงดีเหมือนมีช่วงที่พิเศษสุดมีความสุขเหลือล้นอย่างนี้ถือว่าไม่เอาไหนใช่ไหมเป็นเรื่องปกติพยายามตื่นเองก็อย่างนี้แหละทีแรกพี่จะช่วยให้ก็ไม่เอาถ้าตื่นขึ้นด้วยสภาพจิตที่ใกล้เคียงกับฝันก็จะจาได้ตายจริง จะอวดเก่งกับพี่แตร์ด้วยหรือขอโทษค่ะนี่เป็นริดข้างเคียงของโรคความจําเสื่อมหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกนี่เหมือนลืมฝันธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันเท่านั้นแปลกจังจําได้แค่รางๆว่าฝันชัดสนุกมีความสุขมากปกติฝันประเภทนี้ตื่นมาต้องจําได้สนิทเลยนี่คะเอาเป็นว่าจิตจใาถูกยกขึ้นไปอยู่อีกมิติหนึ่งชั่วคราวแตกต่างจากปัจจุบันเสียจนเชื่อมกับความจําในมิตินั้นไม่ได้ก็แล้วกันลานดาวอึง้ง ธรรมชาติของจิตวิจิตพิสดารเสียจริงๆเพียงเคลื่อนจากภาวะหนึ่งสู่อีกภาวะหนึ่งที่ต่างกันมากๆก็ทำให้ลืมได้อย่างสนิทคิดว่าหล่อนได้คำตอบอันน่าพอใจให้กับภาวะความจำเสื่อมในช่วงกลางวันที่ผ่านมาของตนเองเงื่อนไขนั้นง่ายนิดเดียวนั่นคือสภาวะจิตของหล่อนหกกลับคว่ำขมั่จนต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากทุกภาวะที่ผ่านมาในชีวิตจึงหมดความเชื่อมโยงกับอดีตไม่เหลือซาก กระทั่งพอเรียนเป่าฟลุตให้สภาวะจิตเริ่มเข้าที่เข้าทางใกล้เคียงของเดิมความทรงจําจึงถูกดึงกลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ลานดาวยังคิดไกลไปกว่านั้นคือเรื่องเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนภพภูมิเช่นที่เพิ่งออกจากฝันอันแสนละเอียดสุขุมเมื่อครู่บัดนี้กลายเป็นสภาพหยาบผิดกันไปโคละระดับชั้นก็ทําให้ลืมเลือนภาวะที่ผ่านมาอย่างสนิทแม้คุณว่าเคยสูงส่งกว่ากันความสูงส่งก็กลายเป็นเพียงเงาเลือนทางความทรงจําใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้อีกต่อไป ถ้าตกจากที่สูงเราจะเงยหน้าย้อนกลับไปเห็นที่ยืนเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะอมริตหัวเราะในลําคอด้วยความเอ็นดูจะต่ำหรือสูงถ้าต่างจากปัจจุบันมากก็จำไม่ได้เห็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละจ๊ะแล้วถ้าย่ำอยู่ชั้นเดิมละคะสมมติชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเขาจะจาได้ไหม เด็กหลายคนระลึกชาติได้ก็ด้วยกรณีนี้แหละคือตายจากความเป็นมนุษย์แล้วกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ทันทีภาวะย่ำซ้ำกับที่จะทําให้ระลึกได้เหมือนนึกออกว่าเพิ่อฝันอะไรไปแต่คนส่วนใหญ่เคลื่อนมาจากภูมิที่ต่ําหรือสูงกว่ามนุษย์เลยจําไม่ได้เคยสงสัยเหมือนกันว่าถ้าคนเราเคยผ่านนรกสวรรค์มาจริงทําไมถึงจําไม่ได้ตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตที่เอื้อให้จําได้หรือไม่ได้เกิดใหม่ต้องลืมหมดเพราะเปลี่ยนสภาพอย่างสิ้นเชิง ระบบความจำนี่เหมือนไม่ได้เป็นสมบัติของเราเลยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะการแท้ๆอืมชักพูดเหมือนชาวพุทธชันดีแล้วอมริตกล่าวเชิงชมกลัวหัวเราะเล่าให้จ้าฟังหน่อยสิค้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าจะนึกออกทีละนิดทีละหน่อยเริ่มตน้นจ้าไปอยู่กับพี่ในพีระมิดที่พี่สร้างขึ้นสานึกคิดอ่านชัดเจนเป็นปกติเหมือนกาลังลืมตาตื่นจ้สงสัยว่าถ้าออกนอกเขตพีระมิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น พอทดลองก็ตกอยู่ในห้วงฝันเลือนรางครู่หนึ่งก่อนกลับเข้ามาใหม่จ้าบอกพี่ว่าที่กลับเข้ามาเพราะเห็นนิมิตของพี่เตือนจากนั้นจ้าส่องกระจกเห็นตัวเองเหมือนคนปกติพยายามเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวเองแต่ไม่สําเร็จพอพี่ให้เปลี่ยนที่จิตดูเหมือนจ้าระลึกถึงบุญกุศลบางอย่างในอดีตถึงเรื่องแสงรัศมีขึ้นและเห็นพี่อยู่ในชุดนักปรายยากลีกโบราณจําได้หมดแล้วค่ะลานดาวส่งเสียงความจริงหลอนเริ่มคุณตั้งแต่เขาเล่าได้แค่สองประโยคแรก ซึ่งธรรมชาติความจําจะเป็นเช่นนั้นเมื่อถูกสกิดให้นึกออกเพียงจุดเดียวรายละเอียดที่เหลือก็พลั้งพลูตามมาเองให้จะเล่าต่อนะคะถ้าผิดจากนี้ช่วยถักด้วยพอจะรู้ว่าตัวเองยังไม่อยู่ในมิติเดียวกับพี่แตรจริงเลยถามว่าทําอย่างไรจึงจะเห็นเหมือนที่พี่เห็นพี่สั่งให้นั่งสมาธิตอนแรกตามรู้ลมหายใจก่อนพอเริ่มนิ่งแล้วก็สร้างพีระมิดแฝดซ้อนขึ้นมาอีกหลังซึ่งทําได้ง่ายเพราะมีกําลังช่วยหนุนจากพีระมิดของพี่พอจะสร้างพีระมิดได้ พี่แตรก็ให้หลับซ้อนลงไปอีกชั้นเพื่อตื่นขึ้นอย่างมีกายละเอียดสามารถขยับขยื่นและพูดคุยกับพี่แตรด้วยสภาพเสมอกันแล้วการเล่าก็สะดุดลงเอลืมอีกแล้วสิพอตื่นขึ้นมาครั้งที่สองแค่จำได้เลือเล่อนๆว่าเป็นอะไรที่สุดๆๆอมริตช่วยฟื้นความจำให้จะมีความสุขกับภาวะที่ประณีตแทบไม่มีภาษาอื่นนอกจากความสุขที่อิ่มเต็มในจิตเองแล้วเกิดความอยากจะให้คนทั้งโลกมารู้จักภาวะนั้น เราเลยแผ่มเมตตาออกไปทั่วจักรวารร่วมกันลานดาวตาสว่างจำได้แล้วโอ้ดีใจอุทานเสร็จก็ย่นคิ้วอยู่กับตนเองเพราะแมมนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หล่อนก็ระลึกไม่ถนัดนักว่าสภาพหรือภาวะทางใจขณะนั้นเป็นอย่างไรทุกอย่างแผ่วเลือนเหมือนสายลมที่เกิดจากการผิวปากแม้สัมผัสได้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปทานไปเองหรือเปล่าคงต้องขอความช่วยเหลือจากพี่แตรบ่อยๆนะคะ กว่าจะฝันเป็นและใช้ประโยชน์จากฝันอย่างคุ้มค่าแบบพี่แตรได้บ้างด้วยความยินดีตอนอยู่กับคนอื่นในโลกพี่แตรดูกลมกลืนดีจังทั้งที่ทำอะไรได้ขนาดนี้ขนาดไหนกันพี่เป็นแค่นักขุดทองจากฝันเท่านั้นคนทั่วไปไม่รู้เองว่าอำนาจจิตขณะหลับไรขีดจำกัดเพียงใดแต่ฝันก็คือฝันต่อให้ฝันว่าเป็นผู้วิเศษเพียงใดตื่นมาก็กลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ชีวิตมนุษย์มีอะไรให้กอบโกยเยอะนะคะต้องหาใครมาช่วยบอกเท่านั้นว่าควรลงมือโกยจากตรงไหนบ้างจะนึกไม่ออกถนัดก็จริงแต่จําได้แค่รางว่าการแผ่เมตตาเป็นอนันต์นี่เป็นรสที่เหนือรสจริงๆสมบัติบางอย่างต่อให้มีค่าและวางอยู่เกลื่อนกลาดแบบกรวดทรายก็ไม่ใช่ก้มลงเก็บง่ายๆหรอกนะคนเราเหมือนมีคือคาล็อกตัวไว้กับแค่เก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้อภัยยังทํากันไม่เป็นที่ไหนจะหวังโกยสุขชั้นสูง อย่างการแผ่เมตตาเป็นอนันต์ได้ลานดาวตรองตามแล้วเริ่มเห็นตัวตนของตนเองที่ผ่านมาแค่เปลี่ยนวิธีมองโลกจากแง่ารายเป็นแง่ดีเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขสักครู่ก็ยากแล้วและเกือบร0อยเปอร์เซ็์ของคนทั้งโลกก็เป็นเช่นนั้นคือผูกโกรธผูกอาฆาตเก่งเร่งสารพิษจากต่อมตมในร่างกายมาฆ่าตัวเองแบบผ่อนส่งกันทั่วทุกหัวระแหงหญิงสาวยิ้มหวานกับโทรศัพท์อยู่กับอมริตแล้วเหมือนหล่อนเห็นจริงตามเขาเพิ่มขึ้นทุกทีจ้าชักเห็นแล้วสิคาว่า คนทั้งโลกกาลังตกอยู่ในห้วงฝันร้ายความจริงทุกคนอยากฝันดีแต่ก็มันก่อเหตุของฝันร้ายด้วยความโง่หลงไร้สติหัวไวจริงอีกหน่อยคงเป็นเจ้าแม่สํานักอะไรสักแห่งเจ้าแม่หัวเราะคิกแล้วยกมือปิดปากเาวเพิ่งตื่นยกหย ก, หยกงง่วงอีกก็ไม่ทราบค่ะพี่แตรเพราะเมื่อกี้ฝันจนเหนื่อยนะซีไว้ชํานาญสมาธิแล้วจะหลับสนิทเต็มตื่นได้เองถ้าง่วงงั้นไปนอนเถอะนะค่ะ ข, ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างดีใจมากๆๆที่รู้จักพี่แตร ราตีสวัสด์เดี๋ยวจ๊ะคะเออพรุ่งนี้ว่างไหมหางเสียงอมริดออกหนีบหน่อยๆลานดาวอมยิ้มนิดหนึ่งถ้าทางเขาไม่ใช่คนชำนาญขอนัดสาวซึ่งก็ดีเพราะคนหล่อแล้วไม่เจ้าชู้หายากคงต้องวุ่นวายเรื่องหางานหาการทำนะคะแต่เย็นๆน่าจะว่างทานข้าวกับพี่นะคนถูกขอนัดทำเป็นเงียบคิดครู่หนึ่งทั้งที่ในใจมีคาตอบเตรียมไว้แล้วแต่แรกก็ได้คะ่ะ ออกจากโรงพยาบาลในเย็นนั้นแพทย์สาวขับรถตรงมาจอดที่หน้ารั้วบ้านหลังหนึ่งย่านฝั่งทนลงกดกลิ่งยืนรอครึ่งนาทีก็มีเด็กชายวัยรุ่นมาเปิดประตูให้พร้อมยกมือไหวสวัสดีครับพี่เอิญมาวันทาสะพายกระเป๋าเครื่องมือแพทย์เข้าไหล่ก่อนรับไหวสวัสดีจาโพปัจจุบันอุปการะอยู่บ้านที่เจ้าของยกค่าเช่าให้ฟรีหนึ่งปีมีรถยนต์ขนาดกลางที่ใครคนหนึ่งถอยมาให้ใช้หนึ่งคัน นอกจากนั้นยังมีใครต่อใครหยิบยื่นข้าวของให้สารพัดรวมทั้งหมออย่างหล่อนที่อาสามาดูแลตรวจสุขภาพให้คนในบ้านตามโอกาสเป็นการตอบแทนที่ช่วยสอนทําสมาธิภาวนาตลอดจนชี้แนะและไขข้อข้อ้องใจต่างๆให้นับแต่พบกับอุปการะในวันแรกมาวันทาก็แวะเวียนมาหาเขาเนืองๆและพอหล่อนทําตัวเป็นแพทย์ประจําบ้านอุปการะก็เริ่มให้การต้อนรับในฐานะญาติสนิทเลิกนับเป็นลูกค้าและพูดคุยกันเองแบบครูกับศิษย์เต็มขั้น จากการเปิดเผยของอุปการะทำให้มาวันทาทราบว่าเดี๋ยวนี้เขามีเวลามากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากจะเป็นคนเลือกรับนัดเองไม่ใช่หมอดูนั่งโตที่ใครมาหาเมื่อใดก็ได้ถ้าพยากรณ์ให้ใครแล้วคนนั้นอาจนำความเดือดร้อนย้อนกลับมาหาเขาก็จะเบี่ยงบ่ายปฏิเสธดื้อตั้งแต่คุยทางโทรศัพท์อีกทั้งมีการแยกเก็บค่าบริการเป็นหลายอัตราขึ้นอยู่กับฐานะของลูกค้าด้วย เมื่อเข้าบ้านมาวันทาตรวจร่างกายทั่วไปให้กับมารดาของอุปการะถึงห้องนอนเป็นอันดับแรกทั้งวัดความดันฟังปอดฟังหัวใจพูดคุยไทยถามเกี่ยวกับอาหารและการใช้ยาด้วยความเอาใจใส่อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกระทั่งอุปการะลงจากชั้นบนมาเรียกจึงไปคุยกันในห้องรับแขกแทนเป็นไงมากหมอเอิญช่วงนี้สบายดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงตอบแบบตัวรีบนิดๆสบายแน่รอก็เออ อาจจะงานยุ่งนิดหน่อยสมาธิตกไปบ้างวันนี้เลยไม่มีความคืบหน้ามารายงานขออภัยด้วยนะคะฝันร้ายบ้างหรือเปล่าถูกทักตรงตรงเช่นนั้นมาวันทาถึงกับตกใจรับเสียงจอยมีบ้างค่ะอยากเรียนถามอาจารย์ด้วยว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีเพราะท่าทางน่าจะมีมาอีกในเมื่อปิดไม่ได้ก็เปิดอกถามไปเลยเกือบไปแล้วนะหมอทักด้วยความปราณีแฝงสำเนียงตำหนิอีกนิดเดียวก็กลายเป็นวิญ ญ, ญาณที่ต้องฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบ เหมือนอย่างฝันร้ายนั่นแหละมาวันทาก้มหน้าก้มตาหลบชินเสียแล้วกับการรู้ทุกอย่างทะลุ ป, ปลุกลงไปหมดของผู้เป็นอาจารย์ตอนนั้นเอินสับสนเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมองไปมีแต่ทางตันเหตุผลและความกลัวทั้งหลายหายไปหมดนึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นไปได้สถานการณ์เลวร้ายไหนๆขณะกาลังมีชีวิตก็ดีกว่าสถานการณ์เลวร้ายหลังค่าตัวตายทั้งนั้นแหละหมอจาไวเ้เถอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบีบคั้นหนักเสียจนเอินเหมือนถูกบังคับให้ละเมอหลงทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดทำมาก่อนเลยนะคะอาจารย์หญิงสาวออดแบบกึ่งขอความเห็นใจกึ่งแก้ตัวเล็กๆต่อให้เป็นการคิดสั้นชั่ววูบอย่างที่สุดก็ไม่มีใครฆ่าตัวตายด้วยแรงกดดันครั้งเดียวหรอกคนฆ่าตัวตายจะมีความคิดอยากหนีปัญหาด้วยทางลัดซ้ำๆกันมาระยะหนึ่งทั้งนั้นเพียงแต่เป็นแค่เงา ความคิดความอยากแวบไปแวบมาไม่จริงจังถ้าปล่อยให้ซ้ำซากไม่หยุดในที่สุดก็กลายเป็นการตัดสินใจจริงจนได้มาวันทาตรึกระลึกแล้วก็นึกออกว่าเป็นตามนั้นจริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาหลอนทุกข์หนักคิดมากอยากตายให้พลนผลอย่างน้อยวันละสามรอบยิ่งพอลานดาวก่อเหตุคอขาดบาดตายชนิดที่หล่อนตัดสินใจเรื่องอย่างไรก็ผิดหมดแก้ไขให้อะไรดีขึ้นไม่ได้พอศบจังหวะเหมาะเลยอยากเหาะเหินหนีไปดื้อๆเสียเดียวนั้นเอง ยังดีเท่าไหร่ที่ลานดาวมาช่วยรังไว้ทันก่อนสายเกินการอุปการะเห็นลูกศิษย์สาวปิดปากเงียบก็ถอนใจยาวรู้ดีว่ามาวันทาเป็นคนรักหน้ามากถ้าตําหนินักเดี๋ยวจะยิ่งเสียใจเปล่าๆจึงเฉลี่ยความผิดให้แรงกระทําลี้รับภายนอกเสียบ้างยุคนี้กระแสการค่าตัวตายกําลังแรงถ้าปล่อยให้ความหดหู่เศร้าซึมครอบงําจิตใจก็เป็นจังหวะโอกาสให้หลวมตัวโดนกระแสดึงดูดกันง่ายที่สุดแปลว่ามีกระแสดึงดูดให้หลงคิดผิดอยู่จริงๆหรือคะ มาวันทาทำตาโตถามอย่างสนใจก็มีนะซีเหมือนคลื่นความร้อนในร่างกายเราถึงแม้เราเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยความร้อนไว้ให้ตรวจจับด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ได้ความคิดของคนเราก็คล้ายอย่างนั้นการปรงใจคิดที่จะปลิดชีวิตตัวเองเป็นพลังงานฝ่ายทำลายเป็นกรรมเพื่อความหายนะชนิดหนึ่งถึงแม้ตัวตายหายหนนไปจากโลกแล้วรูปความคิดชนิดทำลายตัวเองนั้นก็ยังคงตกค้างอยู่ ทีนี้ถ้ายุคไหนมีกลุ่มความคิดชนิดเดียวกันนี้รวมกันมากๆเข้าในที่สุดก็กลายเป็นแรงดึงดูดได้เอินนึกว่าเป็นอิทธิพลของสื่อที่ออกข่าวคนณค่าตัวตายบ่อยๆเลยทําให้คนรับข่าวเกิดความคิดเอาอย่างบ้างนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งจริงๆแหละหมอคือมีส่วนกระตุ้นให้หมักง่ายแต่ตัวเร่งเราให้ลงมือจริงมาหลายอย่างประกอบกันจิตหดหูซึมเศร้าเรื้อรังเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็มีความอ่อนแอจากอดีตกรรมที่เคยฆ่าตัวตายมาเชียร์บ้าง เจ้ากรรมนายเวรมาดนใจบ้างกระแสดึงดูดจากกลุ่มคลื่นความคิดของคนฆ่าตัวตายไปแล้วบ้างตอนคิดลงมือฆ่าตัวตายกรรมข่าวหรือกรรมดําที่เคยทําไว้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยฉุดดึงหรือช่วยถีบส่งคนไม่มีกรรมข่าวหนุนอยู่บ้างจะขาดปัจจัยเข้าขัดขวางให้ยุติสถานการณ์วิกฤตปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปจนสุดทางของมันแต่ถึงเอินพลาดพรัง้งอาจารย์ก็คงไม่ดูได้ปล่อยให้เอินต้องแช่จมอยู่ในอบาย หมอเข้าใจผิดแล้ววิบากที่เกิดจากการฆ่าตัวตายนั้นแรงมากไม่เหมือนการตายธรรมดาทั่วไปถ้าตายทรมานแบบดิ้นปัดปัดด้วยโรคร้ายยังช่วยได้ง่ายเสียกว่าอย่านึกว่ามีผมเป็นที่พึ่งแล้วอย่างไรก็คงรับการช่วยเหลือสะดวกสะดวกของมันไม่แน่เรื่องราวหลังความตายมีทางที่ส่งคลอได้และส่งคลอไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงผูกมัดของกรรมว่าเปิดช่องให้แค่ไหนมาวันทาทำหน้าสลดยิ่งกว่าเก่านึกหวาดกลัวภาวะหลังความตายขึ้นมาอีก ฟันหลอนหลายคืนว่าหล่อนพระตกจากตึกทั้งที่ไม่เต็มใจร่างที่พุ่งริ้วลงหาพื้นเบื้องล่างน่ากลัวเหลือประมาณพอตกถึงพื้นก็ขึ้นไปยืนนิ่งบนตึกด้วยอารมณ์เศร้าซ้อยอีกพักใหญ่ก่อนจะถูกขับใส่ให้กระโดดลงมาใหม่ลิมรสทุกขเวทนาแห่งความเสียวสยองในการดิ่งจากที่สูงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับจิตจะลงโทษตนเองให้หลับจําหรืออีกทางคือหลอนตนเองให้เครียดจัดผลักดันให้คิดลงมือทําเข้าจริงๆ จ, จ, จนได้ค่ะอาจารย์เอิรนจะควบคุมตัวเองไม่ให้ประมาทพลาดพรั้งอย่างนี้อีก แล้วหล่อนก็สอบถามในสิ่งที่ขาดใจเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกระแสดึงดูดชักชวนจากโลกของคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วเอิญอยากรู้ว่าที่เอิญเห็นนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าคือตอนเตรียมโดดเอิญเห็นผู้ชายคนหนึ่งกวกมือเรียกอยู่ข้างล่างอุปการรักฟังแล้วเงียบกําหนดจิตอยู่อึดใจหนึ่งก่อนเอิญเห็นเขาในชุดบอยโรงแรมตัวโตกว่าคนปกติเมื่อมองจากความสูงระดับนั้นใช่ไหมมาวันทาขนลุกสู้คล้ายคนสงสัยจากอาการแวดล้อมว่าตนเป็นโรคร้าย พอเจาะเลือดตรวจก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นเช่นที่สงสัยจริงๆค่ะอาจารย์เอินเห็นอย่างนั้นอุปการะพยักหน้าได้เห็นกับตาแล้วสินะว่าโลกหน้าหลังความตายมีจริงแล้วก็ไม่ใช่สภาพที่ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวลูกศิษย์สาวทำหน้าเหยค่ะวิญญาณเขาเห็นหมอเพราะคลื่นจิตของหมอเตรียมจะแปลไปอยู่ในภพเดียวกับเขาเขาอยู่บนตึกและบนพื้นสลับกันอย่างทำอะไรอื่นไม่ได้จนกว่าจะถึงอายุไขของชีวิตมนุษย์ดั้งเดิม เอินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเหมือนเขาเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คะ่ะอุปการะสายหน้าเขามีความสุขขึ้นนิ่งขึ้นเหมือนคนสภาพจิตใจดีขึ้นก็เลิกเกเรอารวาสเขาแค่ไม่ต้องโดดซ้ําโดดซากเท่านั้นแต่ยังไปไหนไม่ได้หรอกสีหน้ามาวันทาสลดลงด้วยความสมเพสแต่ก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรมากกว่านั้นก่อนทําบุญอุทิศส่วนกุศลตอนเอินเลิกคิดค่าตัวตายแล้วเขาก็ยังตามมาเข้าฝันถูกได้ยังไงคะ พของจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนมันไม่ต้องมีเหตุผลเป็นรู ป, ปรธรรมแบบโลกสามมิติที่ปรากฏกับหูตาอย่างนี้หรอกเหมือนถ้าจิตหมอประวัติถึงใครแรงๆขณะเขาหลับก็จะมีคลื่นสะเทือนไปถึงจิตเขาทำให้จิตในฝันของเขาเห็นหมอขึ้นมาส่วนจะเลือนรางหรือชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบเช่นจิตของหมอมีอำนาจสะเทือนเข้มข้นแค่ไหนหรือก่อนหลับเขามีสติติดจิตอยู่มากน้อยเพียงใดแปลว่าวิ ญ, ญญาณบ่อยคิดถึงเอินตลอดเวลาก็หลังจากเขาโดดตึก ก็เพิ่งมีหมอนี่แหละจะมาเป็นเพื่อนที่เขามาเข้าฝันเราได้รวมทั้งติดตามรับส่วนบุญจากเราได้ก็เพราะมีสื่อเก่าคือ ค, อความคิดฆ่าตัวตายของเรากับสือ่อคือคลื่นความหวาดกลัวขณะฝันหลอนซ้ำซากที่ส่งเป็นความสะเทือนไปให้เขาสัมผัสนั่นแหละเหมือนส่งสะพานเชื่อมให้มาถึงตัวเราได้ทันทีพอเราตื่นขึ้นและทําบุญอุทิศให้เขาก็เหมือนยื่นน้าเย็นให้รับไปดื่มแก้กระหาย ความสว่างแห่งบุญที่เราทําให้จิตตัวเองเบิกบานแล้วก็เป็นตัวช่วยปรับกระแสจิตเขาให้สว่างและเบิกบานตามอีกอย่างคือกระแสบุญใหญ่ที่ใ ส, ส่บาตพระสงฆ์ด้วยใจเคารพนั้นเมื่อเขามีใจยินดีร่วมกับเราแล้วย่อมเปลี่ยนสภาพมืดบอดในภพแคบให้กลับกลายเป็นสว่างแจ้งในภพที่กว้างขึ้นได้มาวันทายิ้มปีติดีใจจังขาที่มีโอกาสช่วยให้เขาสบายขึ้นบ้างแต่ก็ถือว่าหมอยังไม่หมดคร้อเสียทีเดียวนะเพราะสิ่งที่ติดตามมาคือสภาพจิตที่หลอกหลอนตัวเอง คนที่รอดจากการคิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดตึกสูงมักฝันร้ายซ้ำๆเพราะเจตนาจะโดดกับภาพเบื้องล่างที่น่าหวาดเสียวนั้นเป็นสิ่งฝังใจยากจะลบจากความจำแบบเดียวกับคนกลัวความสูงก็เพราะจินตนาการว่าจะต้องหล่นลิ้วลงไปมันแรงเกินสติรับรู้ความจริงว่ายังปักหลักอยู่กับพื้นมั่นคงฝันร้ายของหมออาจถือเป็นการสอนตัวเองให้หลับจำก็ได้หรือจะเป็นตัวกระตุ้นให้เครียดจนประสาทกินไปเลยก็ได้อีกเหมือนกัน แปลว่าเอินจะต้องฝันร้ายอย่างนี้อีกเรื่อยๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอย่างนั้นหรือคะมาวรรทาทําเสียงน่าสงสารอุปการะไม่ตอบในทันทีแต่ถามกลับเพื่อความแน่ใจที่รอดมาได้เพราะมีคนห้ามใช่ไหมค่ะถ้าเลิกล้มความตั้งใจด้วยตัวเองก็อาจไม่ต้องมาวนเวียนฝันร้ายแต่นี่เราตั้งใจไว้เด็ดเดียวและใจเย็นมากเลยยังไม่มีตัวแก้จากข้างในข้างในยังไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองทํากรรมคือคิดฆ่าตัวตายไว้ก็ต้องถอนด้วยการทํากรรมคือคิดอยู่ต่อ ต้องทำยังไงบ้างคะอุปการะอย่างจิตลูกศิษย์สาวเห็นว่าหลุดพ้นจากเหตุที่อาจบรันรดาลให้คิดสั้นแน่แล้วจึงบอกลองอย่างนี้ดูกลับไปที่เดิมที่หมอคิดค่าตัวตายมองจากตำแหน่งเดิมเวลาเดิมจนกว่าจะเห็นว่าใจตัวเองไม่ต้องการโดดลงไปจำภาวะนั้นไวด้ดีๆแล้วกลับไปนอนให้หลับคิดล่วงหน้าว่าถ้าฝันจะมีแต่การตัดสินใจไม่โดดลงไปหญิงสาวพยักหน้าอย่างเห็นเขาอันเป็นเหตุเป็นผลค่ะเอินจะทำตามอาจารย์บอก นอกจากนั้นควรเติมความชุ่มชื่นให้จิตมากๆปล่อยนกปล่อยปลยปาให้ผ่องใสและอธิฐานขออย่าได้มีความตั้งใจผิดๆอย่างนั้นอีกจนชั่วชีวิตไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดขอให้บุญเป็นแรงพยุงทุกครั้งไปค่ะคำแนะนำของอุปการะไม่ลำบากเหลือบากกว่าแรงเลยอีกทั้งสมเหตุสมผลทั้งในเชิงจิตวิทยาและในเชิงศาสนาพร้อมกันหล่อนจึงยอมรับอย่างเต็มใจยิ่งมีอีกไหมคะ ถ้าหมอใช้อาชีพของตัวเองทำประโยชน์กับกลุ่มคนที่คิดสั้นบ้างก็จะได้อ น, นิสงส์สูงอาเขียนบทความหรือเอกสารทางการแพทย์ช่วยป้อนข้อมูลโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความตายไม่ใช่จุดยุติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตายเพื่อหนีปัญหานั้นกลับจะเป็นการหนีเสือป่าเจอระเขสต่างหากการช่วยคนหลงผิดให้กลับใจมาเห็นถูกต้องจัดเป็นทานชั้นเลิศถ้าช่วยได้มากๆกก็เหมือนเติมน้ำลดความเค็มของเกลือก้อนหนึ่งให้จางลงจนไม่เหลือ มาวันทาคลี่ยิ้มในตาเป็นประกายด้วยความคิดสร้างสรรค์ใสๆที่สว่างขึ้นปัจจุบันทันด่วนตกลงค่ะเอิญ น, นึกออกแล้วเอิญจะทําสื่อทางอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจะโฆษณาให้รู้จักกันกว้างๆจะหาข้อมูลแพทย์ที่ชี้ให้เชื่อว่าความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่มาทําให้เห็นจริงเห็นจังมากขึ้นนอกจากนั้นคงมีข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณหลังฆ่าตัวตายด้วยตรงนี้เอิญขออนุญาตรบกวนอาจารย์ไวลุ่งหน้านะคะ ได้เอาเลยผมจะสนับสนุนเต็มที่รับปากหนักแน่นด้วยใจเมตตาปรารถนาเอื้อเฟือลูกศิษย์สาวอุปการะโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยทาให้พวกที่คิดหาทางรัดหนีปัญหาชีวิตตระหนักเธอว่าการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นเมื่อขีดความอดทนหมดลงและสิ่งที่จะพาไปถึงขีดสุดของความอดทนก็คือการปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับความเศร้าวิญญาณหลังความตายเป็นภาวะยืดเยื้อเหมือนไม่มีวันจบยิง่งทากเคลื่อนจากภาวะผีตายโหงไปเข้าท้องสัตว์ทุกเข็ญ เรื่องจะยิ่งเลวร้ายเกินแก้อาจต้องวนเวียนเกิดตายในร่างสัตว์อีกเป็นพันๆหมื่นๆครั้งกว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นคนอีกแถมเมื่อเป็นคนก็มักมีจิตใจอ่อนแอยอมแพ้ปัญหาง่ายๆเพียงพบเรื่องน่าร้องไห้ที่มีประจำโลกสองาครั้งก็อาจคิดฆ่าตัวตายตั้งแต่อยู่ในวัยเยาว์แล้ว